ตอนนี้ไปซึงพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้แน่วแน่เพราะใจนี้มันฝึกได้ยากเราจ้องฝึกบ่อยๆต้องมันนั่งสมาธิภาวนาบ่อยๆถ้า่อยให้อยู่ตามยถากรรมแล้ว มันก็จะหาความสงบไม่ได้จะพุ่งซ่านเลยไปดังนั้นจึพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้นั่งสมถิภาวนาเพื่อเราจะได้มีสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไป เท่งเข้าไปหาความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นดังนั้ น, นให้พากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่แก่การกระทาถ้าเราไม่กระทาลงไปแล้วมันไม่มีความดีต่างๆ มันก็เกิดอยู่แก่การกระทาความชัก่กก็เหมือนกันอยู่เฉยๆจะให้ความดีความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันเข้าใจความหมายของคำว่าบุญและบาป มันก็มายากอยู่กับเรื่องบุญและบาปเลยเน่นะชีวิตของมนุษย์เรามัานมีบุญเกิดขึ้นที่ไหนบาปมันก็เกิดขึ้นที่นั่นมันเป็นศัตรูกันในระหว่างบุญและบาปถ้าพูดให้เอาชนะบาปไม่ได้ มูลก็ย่อมเจริญขึ้นไม่ได้ดังนั้นนะให้สังเกตดูอย่างที่เขาปลูกพืชต่างๆลงในดินนะพอปลูกพืชลงไปหญ้ามันก็ลุกขึ้นมาท่วมเลย น, นเจ้าของสวนก็จึง ต้องไดย้ยาอยู่เสมอเสมออย่ามันขึ้นท่วมต้นไม้ที่มีผลเมื่อไดย้ยาออกเสมอไปต้นไม้ที่มีผลมันก็คึกงอกงามขึ้นได้เต็มที่ีลดอกออกของใ ห, ให้เจ้าของผู้ปลูกนั้นได้รับประทาน หรือได้ขายอันนี้ฉันใดก็เป็นเช่นนั้นแหละกายว่ า, าใจนี่เนะี่ยเป็นบอ่อเกิดของบุญและบาปถ้าเราโกรกศรัทธาลงในบุญกุศลได้อย่างนี้บาปมันก็ยอมตามมาบรบกวนเอา มันยังยามันรบ ก, กวนต้นไม้ที่มีผลนั่นแหละดังนั้นเราจึงต่อโู่กับมารคือกิเลสบาปธรรมต่ตางๆเช่นมันเกิดความโรคขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องต่อสู่กันด้วยความเป็นผู้ฝึ ก, กจิตใจให้ไม่ให้เป็นคนตนี มีใจขอกว้างขวา ง, งเผื่อแพ่นั่นความโลภมันกระึงหายไปถ้าหากว่าไม่ฝึกทำตนเป็นคนกว้างขวางเห็นจะแก่ตัวอยู่ร่ำไปอย่างนี้ความโลภความตี่มันก็ไม่หายเป็นอย่างนั้นการฝึกตนนี่นะ ม, มันมีคู่ปรับอยู่อันความโกรธก็เหมือนกันมันก็มีเมตตากรุณานะะเป็นคู่ปรับถ้าบคุคคลใดไม่เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจความโกรธนั้นมันก็ไม่บรรเทาเบาบางเลยกับศีล เมื่อสมทานมั่นในศีลลงไปจริงๆมันก็บรรเทาความโกรธได้เพราะว่าที่พระเจ้าทรงบัญญัติเรื่องศีลนั่นก็คือบัญญัติการไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังนั้นผู้ที่มาเห็นโทษแห่งการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันว่ามันเป็นทุกข์เป็นกรรมเป็นเวรเช่นนี้แล้วก็พยายามจเจริญเมตตาเสมอเสมอสมทานมั่นในศีลลงไปเช่นนี้ความโกรธมันก็เบาบางลงถ้าไม่ละความโกรธศีลก็ไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่บริสุทธิ์ ใจก็เศร้าหมองคุณมัวการภาวนาก็ได้เชื่อว่าเป็นการกำจัดความหลงออกไปจา ก, ก จ, จิตใจการฝึกใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมานั่นแหละเป็นอุบายวิธีขจัดความหลงออกจา ก, ก จ, จิตใจ ความหลงในกระชื่อว่าเป็นศัตรูแก่ความรู้เป็นอย่างนั้นความโกรธก็ามมายาบาดบีดเบียนมันก็เป็นศัตรูต่อศีลถ้าผู้ใดบัรเทาความโกรธไม่ได้ก็ทําศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้แน่นอนทีเดียวมันเป็นอย่างนั้น แห็นความโลคความตนีความห่วงใยอะไรต่างๆก็เป็นศัตรูต่อความบริจาคทานขันธ์มาคิดว่าจะบริจาคทานมาไอความโลคความตณีมันก็เกิดขึ้นในใจเห็นว่าอ้าวให้เพื่อนก็หมดตัวสิอย่างนี้ ถ้าไปรู้อำนาจแกกิเลสเหล่านั้นมันก็ให้ฐานไม่ได้หรือว่าได้แก่อภัยทานการให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มาล่วงเกินตนเช่นสัตว์อย่างนี้นะลิ้นยุงตะขาบหรือว่าแมาลงป่องงูอะไรพวก น, นี้นะมันของของมันมีพิษ อ๋อมันกัดเขาแล้วก็เจ็บปวดอถ้าคนธรรมดาสามันไม่มั่นในศีลแล้วก็ไปฆ่ามันนะอยาเห็นมันอ่ะอือย่างนี้เลยไม่ยอมให้อาภาัยต่อมันถ้าผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจก็ย่อมให้อาภาัยแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะว่านิสัยของสัตว์นั้นมันเป็นอย่างนั้นมา แต่กำเนิดของมันที่มันมากัดต้นก็เพาะตนเผลอตนไม่นมัดระวังตัวแล้วไปโทษแกแต่สัตว์ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองเนี่ยตัวเองขาดการนมัดระวังมันถึงได้กัดเอาก็ให้อภัยแก่มันไป ไม่ทำลายล้างผานมัน อ, อย่างนี้มันถึงมีศีลบริสุทธิ์ได้คนเรานะ่ะต้องมีธรรมประกอบด้วยต้องมีเมตตากรุณารู้จักให้อภัยแก่ศัตรูอย่างนี้แหละถ้าไม่มีอภัยทานนี่แล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้มันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าคนเห็นแก่ตัวถือมั่นว่าตัวนะ่ะเป็นผู้มีอำนาจบาดใหญ่เป็นมนุษย์<ไ>ก็ยะมีอำนาจเหนือสัตว์ในปนิก็ไม่ยอมให้อภัยต่อสัตว์นี่นะ่ะมันจึงเป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้แล้วนั่นแหละคนเราเกิดมาในโลกนี้ กรรมเวรมันตามมาสนองเอาโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายเ <c oughs> นี่ยเรียกว่ากรรมเวรกรรมที่ได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอาผู้ที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรเช่นนั้นก็มีอยู่สองอย่าง อย่างหนึง่งมันสวยวีบาะกรรมอนั้นหมดมาแล้วบารมีบุญอำนวยผลให้เกิดมาเป็นคนจึงมีร่างกายสมบูรณ์ยังไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงมาเบียดเบียนอีกอย่างหนึง่งก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบาปหล่านั้นมา เป็นผู้เว้นจากบาปจากการเบียดเบียนต่างๆผู้นั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรติดตัวมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้ก็จึงมีร่างกายสมบูรณ์ไม่วิบัติขัดข้องแต่อย่างใดได้มีโอกาสบําเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรมในเต็มที่ ไอ้ผู้มีกรรมมีเวรนี่พอทาสมาธิภาวนาเข้าไปกรรมเวรเนี่ยมารกบกวนจิตใจสงบไม่ได้หุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นให้นึกถึงบาปกรรมที่ตนทำมาแล้วร้อนใจจิตใจก็จึงลงไม่ได้สงบไม่ได้เลยนี่แหละเรื่องบาปเรื่องกรรม ผู้ใดไม่ภาวนาไม่รู้ไม่เห็นจิตใจตนเราร้อนอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ตัวก็ปล่อยให้มันร้อนไปอยู่นั้นแหละเรียกว่าไม่รู้ทางไม่รู้แนวทางที่จะระ ง, งับจิตใจที่เราร้อนนั้นก็ปล่อยให้กิเลสบาปประธรรมทั้งหลายมันเผาจิตไปบางคนก็คล้ายกับว่าตกนรกทั้งเป็นเลย ร่างกายนี่เห็นดูภายนอกผิวเผินดูมันสบายดีแต่ข้างในเข้าไปนั้นสิจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั่นอันนี้ผู้ภาวนาก็รู้ตัวผู้ใดภาวนาไปเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีบาปอยู่ในจิตใจนี่ก็ต้องเพียรพยายามไม่ถอยหลัง เหมือนอย่างพานป่าคนหนึ่งแต่ครั้งอดีตการนู่นเข้ามาบวชในพระศาสนาบวชแล้วบาปกรรมที่ทำนั่นไปเบียดเบียนสัตว์นั่นนั่งภาวนาอยู่มีแต่งโงกแต่ง่วงไม่ชืนบ้านเลยนในบาปกรรมมันครอบงมเอาแต่เพื่อนก็ไม่ถอย นั่งอยู่บนบกมันง่วงเหงาหานอนก็ลงไปภาวนาอยู่ในน้ำแค mm. ่น้ำอยู่นั้นเนี่ยเอาคนแต่คอขึ้นไปถ้ามันหนาวจะเต็มที่ไหลก็ขึ้นไปนั่งภาวนาอยู่บนบกนั่งไปนั่งมามันอุ่นแล้วเกิดกวงขึ้นมา ลงไปแช่น้ำอยู่ในน้ำในตำราท่านกล่าวว่าท่านผู้นั้นพยายามละบาปอากุศลนั้นอยู่ถึงสิบสองปีบาปกรรมนั้นจึงได้หมดไปในที่สุดท่านก็ได้บรรลุโสดาบันอันนี้เนะีความเพียรพยายามนี่นะมันทำมันทาให้ อินสีปรามีแก่กล้าขึ้นมาได้พวกบางคนก็สามารถบรรลุมรรคผลขั้นต้นนี้ได้เหมือนอย่างพานปากคนนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันท้อถอยถ้าท้อถอยแล้วกิเลสปากประรรมันก็ได้ท่ามันก็ได้เปรียบ ก็ครอบนำจิตใจไปอย่างนั้นก็มีใจขุ่นมัวเศร้าหมองไปไม่เบิกบานผ่องไสผู้เป็นเช่นนี้ถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็อยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได้ถ้าเป็นครื้หัดก็ปฏิบัติธรรมต่อไปไม่ได้ท้ใอใจท้อใจอ่อนแอทอแท้ใจไม่มีกำลัง นันก็ปฏิบัติทำไปไม่ได้เหมือนอยังคนเดินทางไกลอย่างนี้แหละถ้ากำลังกายไม่เพียงพอก็เดินไม่ได้เลยเพียงั้นฉะนั้นต้องมีกำลังกายเข้มแข็งการเดินทางไกลมันก็จึงค่อยไปได้สะดวกดีถึงจุดไมายปลายทางได้อันนี้ชั้นใดก็เป็นเช่นนั้นแหะ การที่บุคคลจะแสวงหาความสุขอันแท้จริงมันก็ต้องสร้างสมบูรณ์กุศลให้เป็นกำลังใจต่อสู้กับมารคือกิเลสป่าประทับต่างๆดังกล่าวมานั้นนะต่อสู้กันไปเรื่อยๆไปจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยพขอมันระ ง, งับกิเลสได้แต่และอย่างละอย่าง จิตใจนี่มันก็สูงขึ้นและกล้าหารไม่อ่อนแอถ้าผู้มีคุณธรรมหรือมีอินทรีย์น้อยอ่อนเนื่องจากประมาทขี้เกียจขี้ค้านทำความเพียพรภาวนาเช่นนี้นี่มันไม่กล้าหารได้จิตใจเลยมีแต่อ่อนแอเปิดช่องโวให้ ี่เลปาประธรรมมันเข้าครอบงามได้ดังนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจงพากันตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่เึิกใจนี่ฮที่มันอ่อนแอให้มันเข้มแข็งขึ้นโดยการนึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนาไกลเอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แล้ว จิตใจไม่โ อ, อนแอเมื่อมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วนั้นอย่าไปสนใจว่าอย่าไปท้อแท้ใจว่าเอ๊ะทำไมเราจึงภาวนาไม่เป็นจิตยังไม่ลงไม่ต้องสงสัยมันนักจะเป็นสั ก, กวันหนึ่งเมื่อเราทำความเพียรอดก้นทนทานต่ออำนาจของกิเลส ไม่ปล่อยใจให้ไหลหไปตามมันอย่างนี้แล้วเมื่อใจไม่เช่ากับกิเลสแล้วกิเลสมันจะเกิดไม่ได้เลยมีแต่มันดับไปสูญไปสิ้นไปเท่านั้นแหละอันกิเลสมันยังมีอยู่เนี่เพราะว่าจิตชอบมันสร้างมันขึ้นมาเนี่นพียงั้นถ้าเราอยู่โดยลมพังนี่ จะให้กิเลสมาครอบงำจิตใจนี่ไม่ได้มันไม่มีอำนาจอะไรจะมาครอบงำจิตได้อำนาจมันอยู่ที่จิตต่หากจิตนี่มีอำนาจทั้งสองทางมีอำนาจทั้งฝ่ายอกุศลทางหนึ่งมีอำนาจทางฝ่ายกุศลอีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่ฉลาดมันก็มักจะชอบไปในทางอากุศล ถ้าจิตฉลาดมีปัญญาดีมันก็จะชอบไปในทางบุญกุศลมันมองเห็นนว่าบุญกุศลนี่แหละนำสุขมาให้แก่ผู้กระทำบำเพ็ญให้เกิดมีบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากภาวนาสมาธิ นี่บุญสามประเภทนี่นะมันรวมกำลังกันอยู่ที่จิตใจนี่แห่งเดียวมันก็ทำใจเข้มแข็งให้มีกำลังกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสต่างๆได้ให้พากันเข้าใจใจจะกล้าหาญเข้มแข็งได้ก็เพราะเรามันนึกถึงบุญถึงคุณเสมอเสมอ เราไม่ไปพอใจกับสิ่งใ ด, ดในโลกเพราะทุกสิ่งในโลกนี่มีแต่อันิจังไม่เที่ยงทางนั้นดังนั้นอ่ะอย่าไปใส่ใจกับมันให้มันใส่ใจกับบุญกับคุณความดีที่เราทำแต่ละวันแล้วันให้คํหนึ่งดูว่าวันหนึ่งๆเนี้ยเราทำความดีอะไรบ้าง เราทำในในใจไว้อย่างไรนี่ต้องมาโกรธกาดูตนของตนเองถ้าไม่ถ้าไม่โกรดกาดอย่างนั้นมันก็รู้ไม่ได้มันก็รวบรวมเอาความดีที่กระทำทางกายทางวาจามาไว้ในจิตใจนี้ไม่ได้ต่อเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอ เห็นว่าจิตใจของตัวนี้มันน้อมไปในทางแห่งความสงบมันไม่ต้องการความฟุ้งซ่านเลื่อนรอยอย่างนี้นะมันก็น้อมไปในทางสงบแล้ววะเนี่ยยุติการงานต่างๆเช่นกลางคืนอย่างนี้นะเราไม่ได้ทำการงานอะไรอย่าไปเห็นเกลับเกนอนนะ ต้องทำความเพียรภาวนาฝึ ก, กจิตใจที่พุ่งส้านเลื่อนลอยให้มันสงบลงโดยการเพ่งอย่างว่ามาแล้วนั่นนะการเพ่งนี่แหละมันทำให้จิตมีอำนาจขึ้นมาให้เข้าใจถ้าไม่เพ่งแล้วใจมันหล่อหละมันอ่อนแอเหตุนั้นนั่งสมาธิเราต้อง กำหนดสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นให้ใจมันนิ่งอยู่ภายในไม่ให้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าจุดจิตมันหยุดนิ่งอยู่ได้นานมันก็มีกำลังขึ้นมานัมืก็มีกำลังเข้มแข็ง ไม่วันไหวต่อเหตุต่างๆที่กระทบกระทั่งมานี่แหละการสร้างกำลังใจให้พากันเข้าใจพวกที่ปฏิบัติทรมาตั้งนมนานกำลังใจยังไม่เข้มแข็งก็มีอ่อนแอถ้าไม่มีเรื่องอันร้ายแรงมากระทบกระทั่งมันก็ยังชั่วขอสงบอยู่ได้ ถ้ามีเรื่องไม่ดีไม่งามร้ายแรงกระทบกระทั่งมาทนไม่ไหวอ ม, มีแต่สารภาพว่าอดไม่ได้ทนไม่ไหวนั่นก็แสดงว่าจิตใจมันท้อแท้น่ะใจมันอ่อนแอมันขาดขันติธรรมแล้วก็รู้ตัวสินั่นสร้างขันติธรรมไม่เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ อดกั้นทนทานต่อเรื่องชั่วไร้ต่างๆภายนอกที่กระทบกระทั่งมาไม่วันไหวไปตามมันแล้วมันก็ดับไปเองมันสําคัญที่จิต่ันไว้ไปตามมันมันก็ไปยึดถือเอาอย่างนี้นะยึดถือเอาอ่ะคนนั้นดีคนนี้ชั่วต้นดีต้นชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ บางคนก็ไปโทษตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองว่าตนเองนี่เป็นคนชั่วอย่างนี้แหละอา้าวก็รู้ว่าตนเป็นคนชั่วมีนิสัยชั่วแล้วไม่ใช่ว่ามันจะชั่วอยู่นั้นเรื่อยไปถ้ารู้ตัวแล้วกลับจิตมาทำความดีเข้าไป ทำความชื่นชมยินดีในข้อวัดปฏิบัติเนี่น้อมใจไปในทางเมตตากรุณาไม่น้อมใจไปในทางเบียดเบียนจิตใจนี่มันก็เปลี่ยมไปได้เมตตาธรรมกรุณาธรรมก็ไม่เบียดเบียนใครมเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นอะ่ะก็จึงได้มีใจของใสใจหนักแน่น มันถึงต้านทานต่ออํานาจกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้ในเมื่อตนยังถอนรากของกิเลสเหล่านี้ออกจา ก, กจิตใจไม่ได้หมดเพียงแต่ตัดก้านรรานกิ่งมันเท่านั้นธรรมราต้นไม้นะถ้ารากมันยังดูดอาหารไปเลี้ยงลําต้นได้อยู่นี่มันก็งอกขึ้นวันยังค่ำเลยกิ่งได้ที่ตัดออกไปเราก็งอกขึ้นมาใหม่อยู่นั้นแหละ ฉันใดบุคคลผู้ทำความเพียรละกิเลสนี่ถ้าหากว่าทำเบาๆ บ, บางๆไม่เอาจริงเอาจังเช่นนี้นี่มันมันก็เอาชนะกิเลสไม่ได้เมื่อเวลาจิตใจมันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปมันก็เปิดช่องทางให้กิเลสครอบงำ จิตไม่มีอิสระเสรีอะไรในขณะนั้นนะถูกกิเลสจูงไปไงก็ทําไปพูดไปตามกิเลสอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อันจิตใจคนธรรมดาสามา น, นี่นะเมื่อยังถอนรากกิเลสออกไม่ได้นะเวลาที่เรามีสติมีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่ยนี่กิเลสมันก็นอนเนื่องอยู่ในใจนะมันไม่ไม่โผล่ออกมาหรอก ต่อเมื่อตอนเองเนี่ยเผลอสติเข้าไปการควบคุมจิตไม่เพียงพอเปิดช่องโหว่ให้กิเลสมันก็เห็นช่องโหว่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะดังนั้นให้พากันรู้จักว่าการที่เราปฏิบัติทำบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานั้นะ ก็เพื่อกำจัด ก, กิเลสต่างๆเหล่านี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี่ก็กิเลสมารกวนจิตใจหาความสบายไม่ได้ต้องมองให้มันเห็นถ้ามองไม่เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวานี้มันก็ไม่อยากทำความเพียรเกิด ความขี้เกียจขี่ค้านขึ้นมาแล้วผู้ที่มันขยันทำความเพียรเพราะเห็นโทษของกิเลสมันมาทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวให้เป็นทุกข์เกิดร้อนนะนี่เบื่อหลายมเมื่อเบื่ออย่างนี้แล้วเราจะไปขับไล่กิเลสโดยวิธีอื่นให้ออกไปจากกิจใจนะมันไม่ได้เลยไม่มีทางมีแต่ทางเดียวเนี่ยทาง บำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปนับแต่การให้ทานเป็นต้นมาดังกล่าวแล้วนั้นในข้อไม่ถอยแนละ้วกีเลสตอนนี้มันก็เบาบางออกไปจากกิตใจพ ข, ข้อปฏิบัติสามประการนีมันพอดีกับกีเลสสามกองพอดีกันเลยนั่นแหละเพราะพระพเจ้าอสอนให้เราบำเพ็ญให้ติดต่อกันไปส ม, มสม่ำเสมอทั้งสามข้อนี้ ให้มันพร้อมกันไปเอาการให้ทานอย่างนี้นะ ม, นามาเราว่าใจของเราเปิดกว้างอยู่อย่างนั้นไม่ตนีทีเหนียวเมื่อใครมาขอพิจนาเห็นว่าสมควรให้อย่างนี้เราก็ให้มันไปเมื่อเห็นว่าไม่สมควรให้ก็ไม่ให้ เราเปิดใจให้ก่วงขวางไว้เช่นนี้ความโลภความตะหนีมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้นั่นไม่ใช่ว่าเราจะให้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอกก็เลือกให้บุคคลที่ควรให้นะบุคคลใดไม่ควรให้ก็ไม่ให้อย่างเช่นคนที่ไม่ใช่นักบวชนี่นะมีกำลังร่างกายดีอยู่อย่างนี้ ไปเที่ยวขอทานเขากินอย่างเนี้มันไม่สมควรจะให้เลยถ้าให้ทานเข้าไปแล้วมันก็เอาไปกินกินแล้วก็นอนไม่ทำการงานอะไรมันขวางโลกแบบนั้นมัน่วงโลกไม่เจริญไปได้ก็ไม่ควรให้บุคคลเช่นนั้นบุคคลใดทุกคนละภาพ ไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้เห็นเขาแล้วก็สงสาร อ, อ่าอย่างนี้ก็สมควรให้สมควรสงเคราะห์อย่างนี้แหละถ้าพูดถึงการให้ในพุทธศาสนานี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะอันภาอภิกษุสามเณรผู้รับทานผู้รับชัยทางของชาวบ้านเนี่ย เป็นผู้ทูตศีลก็มีมีศีลก็มีอย่างนี้แหละมันก็นอยู่ในดูนยปิษในสายตาของชาวบ้านผู้นับถือพระพุทธธรรมประสงค์เอาเป็นที่พึ่งนั่นแหละมันอยู่ในสายตาอยู่ในความพินิพษพิจารณาว่าพระสงฆ์สามเณรหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดี ปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็จิงค่อยถวายทานในพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในวินยัยแสแวงหาแต่ลาภตการะเสวงหาจตเกียรติยศชื่อเสียงไม่สารวมในธรรมในวินัยเลยอย่างนี้ก็ไม่ไม่สมควรที่จะให้ทาน ก็ให้ไปแล้วเพื่อนคืนจะไปทำความชั่วต่อไปอก็ได้เชื่อว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะ่ะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปรียบเทียบไว้ว่า นาทั้งหลายมีญาเป็นโทษมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วจึงมีผลมากดังนี้มันก็เป็นความจริงนเนี่ยพระองค์เจ้าเปรียบเทียบ ปุูกคนทำนาปลูกข้าวลงในนาแล้วปล่อยให้ยากาขึ้นท่วมข้าวอย่างนี้ข้าวนะก็ไม่งามเลยสูบสีดไปได้ผลเพียงนิดหน่อยดังนั้นผู้ที่ทำนาก็ดีทำสวนก็ดีจึงระมัดระวังต้พืชศัตรูพืชต่างๆวัชพืช เมื่อมันวัชปิดหรือว่าต้นหญ้ามันงอกงามขึ้นมาก็ถอนออกไปให้เหลือแต่ต้นไม้มันก็มีโอกาสได้หาอาหารเลี้ยงตัวมันได้เต็มที่มันไม่มีหญ้าอื่นมาแย่งกินอาหารมันอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลทาบุญกุศลลงไปก็บุญกุศลก็ยังเกิดขึ้นในใจนั่นแหละ แต่ที่นี้บาปก็เกิดขึ้นไม่พยายามสะกัดกั้นบาปไว้บาปเกิดขึ้นแทรกแซงใจบุญกุศลก็อ่อนกำลังลงเสื่อมลงไปก็ทันนั้นเลยให้พากันเข้าใจไอ้บุญกุศลที่เป็นส่วนโลกีเนี่ยมันมีบาปเป็นคู่มาแต่ไหนเต่ไร มีบาป ค, คอยขัดขวางแต่ถ้าได้บรรลุโลกุตระทำไปและอย่างนี้ส่วนใดที่บรรลุไปแล้วนั้นกิเลสส่วนนั้นจะถอนรากออกไปเลยจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ยังแต่กิเลสส่วนที่ยังละไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามละมันต่อไป จนกลัวมันจะหมดสิ้นสาเร็จถึงอรหั ต, ตผลถ้าถึงอรหั ต, ตผลแล้วก็หมดกิจที่จะต้องทากิจส่วนตัวหมดไปเลยแบบนี้ก็มีทำกิจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นไปเรื่อยๆจนกลัวหมดอายุสังขารแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปปลายทางของชีวิต มันอยู่ที่พระนิพพานเพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันเข้าใจทัศนคติในทางพระพุทธศาสนามีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางถ้าไม่บรรลุถึงพระนิพพานตราบใดแล้วก็จะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้หละเดี๋ยวเกิดมา ความหลงเขาครอบงำไ ป, ไปทำบาปทำกรรมไปฆ่าสั์รักทรัพย์ก็พืดผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรของเสพปิดใ้โทษต่างๆนี้เมื่อถูกความหลงครอบงำ เข้าหรือไม่ใช่นั้นไปคบกับคนพาลเข้าไปเช่นนี้คนพาลก็ชักจูงไปทำบาปชีวิตก็ตกต่ำลงไป <c oughs> ก็มีแต่ไปสู่ทุกข์แบบ น, นี้นะนั่นแหละไปทนทุกข์ทรมานอยู่นานพนทุกข์นี่นะคิดให้มันเห็นนะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วมีจริงจริงอ่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งทั้งสามอย่างนี้ทําสัตว์ผู้ประกอบกิเลสเหล่านี้นะให้เนิ่นนานให้นานช้ามัหมายกับว่านานถึงปณิธานนะนานพ้นทุกข์เพราะ ก, กิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเหตุที่คนเราทำบาป อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเยนยนบบปัมก ร, รมนกรรมก็นำจิตวิญญาณไปเกิดในนรกอบายภูมิอายุของสัตว์นรกนี่ยืนยาวกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ท่านกล่าวไว้ในตารานะเป็นเช่นนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นให้กลัวแต่ภัยในนรกในพระธรรมเทศนาของพระเจ้านั้น ในหนังสือพระไกรปิดกนะไปกลัวดูสิพระองค์สอนว่าให้กลัวแต่ภัยในนรกอยู่อย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงแท้ถ้าบุคคลไม่กลัวต่อภัยในนรกแล้วมันก็ทำบาปเอยไปไม่รู้สึกตัวไม่คิดละบาปเลยอย่างนี้นะ บาปมันก็ติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆสิเพราะว่าทนมันสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆไม่ตัดทอนมันให้มันน้อยลงให้มันหมดไปสิ้นไปอมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของคนเรานี้นะเหตุที่มันจะได้ประสบกับความทุกข์เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็ขี่ค้านทำกุศลคุณงามความดีมันขยันทำความชั่ว นี่เลยสายเหตุที่มันจะตกทุกข์ได้ยากลาบากอยู่ในโลกนี้เอาผูใ้ใดมาฝึกตนให้เป็นคนมั่นขยันทำความดีเข้าไปแล้วอย่างนี้เนี่ยเกียรตคลานทำความชั่ววันนี้โรงเงินข้ามเลยใครชักชวนไปทำกรรมชั่วไม่เอาแล้วเบื่ออย่างนีใครชักชวนไปทำความดี ทำบุญกุศลก็พอใจทำเต็มที่เลยอย่างนี้นะฝึ ก, กจิตใจให้มันพอใจยินดีในกุศลคุณงามความดีสูงขึ้นไปโดยลำดับจนตลอดถึงพระนิพพานเราพอใจในพระนิพพานไว้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ถึงพระนิพพานง่ายๆเลย บางคนก็ไม่ชอบไปพรนิพพานเพราะว่าเมื่อเป็นท่านแสดงเรื่องพระนิพพานนี่ยเป็นสภาพของธรรมที่ดับสนิทไม่มีตัณหาเหลือหลออยู่แม้แต่น้อยเดียวเหตุดังนั้นมันถึงไม่ได้ไปเกิดในรูปในนามอื่นต่อไปเพราะว่าตัณหาอุปทานมันดับไปแล้ว บางคนก็ไม่ชอบเลยไม่อยากให้ตัณหามันดับมันไม่สนุกการที่มีตัณหาอยู่ในหัวใจเนี่ยมันอยากไปไหนก็ไปอยากร้องก็ร้องอยากราก็รําอยากดิสซีตีเป่าก็ดิสซีตีเป่าอยากไปดูภาพยนตร์ลีเกลละครอะไรก็ไปดูได้ตามสบายสนุกสนานดีะ อันนี้แหละ ย, ยังว่าคนเรามันเห็นดีว่าเป็นชัว่วเห็นชั่วว่าเป็นดีไปท่านจึงเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้เมือ่อเมื่อไม่รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันเห็นผิดเป็นชอบไปในพระธรรมวินยัย การหัวเราะมันเป็นการร้องไห้ในพระธรรมวินัยนั่นมันโกงเงินข้ามเลยการหัวเราะแสดงถึงความเพลิดเพลินเจริญใจในโลกนี้ในในในธรรมในวินัยแล้วโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะหัวเราะ เรื่องเลิร์มันถึงอะไรเลยมันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆคอยบีบคั้นอยู่เสมอไปอย่างนี้เลยเอ็นความแก่ความแก่ความเจ็บป่วยไขย้ทนทุกข์ทรมานในร่างกายสังขารอยู่หมู่นี้นะ อันผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นแล้วจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าอาศัยรูปนามอันนี้ไปก็ก็รู้อยู่แล้วว่าอาศัยไปไม่ได้นานเลยเดียวมันก็จะแตกเกดดับทำลายลงไปแล้วรูปนามอันนี้มันจะอยู่ไม่ได้คงทนท้าวร อ, อะไรเลยนี่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่าย ในความเป็นอยู่อันนี้เพียงปรารถนาอยากจะพ้นจากชาติความเกิดอันนี้ไปเหมือนอย่างว่าพรธเจ้าทรงลำพึงก่อนที่พงค์จะเสด็จออกกวด น, นั่นแหละทรงลำพึงว่าความเกิดนี้มันเป็นทุกข์เพราะเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเกิดมาแล้วมันไม่แก่เจ็บตายมันก็ไม่มีทุกข์แหละอื อันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นธรรมดาไม่เป็นอย่างนั้นธรรมดาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ท่านพูดรวมๆเลยทุกสิ่งแหละที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ตามล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลย ถ้าถ้าพูดมันพิจารณาเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาตาใจของตนละมันมันก็เกิดความเบื่อหน่ายแน่นอ น, นถ้าไม่มันพิจารณาเห็นแจ้งแง่ว่าเนี่ยมันม่ามีสิ่งล่อหลอกให้ยินดีอยู่ในโลกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาให้วิจิตพิสดารอย่างเห็นเข้าแล้วโอ้ เกิดความยินดีพอใจอยากจะได้มาเป็นสมบัติของตนอันนี้แหละจิตใจยังว่ามันเมื่อไม่อบรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วมันหลงกลของกิเลสกิเลสหลอกให้ติดให้ข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหม่นี่ มันเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาจริงๆนะ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ภาวนาสมาธิแล้วปัญญาไม่เกิดความคิดก็ไม่มีความไข้ควรพิจารณาตัวเองก็มีไม่ได้เพราะว่ามันถูกโมหะครอบงำจิตใจในี่นะดังนั้นนะ มันดึงอ่านตัวเองไม่ออกคนเราส่วนมากเลยอยู่ไปตามยถากรรมไม่รู้ว่าจะละความชั่วทำความดีได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะชำระจิตใจนี่ให้ผ่องใสสะอาดไปได้อย่างไรไม่รู้เลยไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้สนใจฟังทำคำสั่งสอนของอุตตเจ้านั่นเอย ไม่ได้ค้นคว้าตำหลอบตำล้าบ้างไม่ได้สมาคมกับนักปรัณฑิตอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆจะให้มันเกิดความรู้ความฉลาดในธรรมขึ้นมาไม่ได้เลยมันเป็นองนั้นผู้ที่เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมได้ก็เพราะอาศัยการเสวนา นักปราดบัณฑิตทั้งหลายบ่อยๆแต่ลำพังเพียงก็ไปดูทำรทำาตำราเฉยในบางคนก็ไม่รู้ในทางปฏิบัติทั้เลยเพราะว่าตำราท่านสแสดงไว้อย่างพิสดารกว้างขวางไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เลยต่อเมื่อได้มาฟังธรรมะที่ท่าน ผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านกรรองออกมาจากพโนธาตุนั้นว่าทางนี้จะเป็นทางรัดทางตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านเห็นอย่างไรแนละ้วท่านก็นำมาสแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังผู้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วก็เห็นตามก็เหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนะั่นแหละว่า ขันทั้งห้าอันนี้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปวนมันวิบัติมันรู้จักแตกกระดับไม่ควรที่จะชื่นชมยินดีควรที่จะเบื่อหน่ายถ้าพูดตามหลักแห่งความจริงแล้วนะถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็ ไม่คลายความยึดความถือไม่คลายความกำหนัดอินดีนี่ดังนั้นต้องเบื่อหนต้องสอนใจนี้ให้เบื่อหนยอยู่เสมอเสมอไปอา้าวถ้าเบื่อนายแล้วต้องไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรออันนั้นก็ผิดผิด ทำผิดพินัยด้วยไม่ถูกทางแม้แต่น้อยเดียวบุคคลเมื่อเบื่อหน่ายในสังขาร right. ่างกายแล้วไปดื่มยาพิษเข้าไปบอกยิงตัวตายอะไรมวกนี้นะไม่ถูกทางเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้อํานวยการอย่างนั้นเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่าขันทั้งห้านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเราจะเราอาศัยขันห้านี้ไป มันก็เป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนี้แหละข้อมันไม่เที่ยงนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อยู่เสมอแล้วทํายังไงถึงจะพ้นจากการหน้านี้ได้ก็อย่าไปยินดีในเวลาขันห้านี่มันจเจริญในเวลาขันห้านี่มันมีกําลังเรียวยแรงดีก็อย่าไปหลงไปเพลิน ยินดีพอใจกับขันห้านี้โดยพิจารณาเห็นว่าความเจริญของขันหานี้ไปได้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงอืมันไม่อยู่คงที่ในที่สุดมันก็แตกทําลายลงอย่างนี้แหละพจารณาเห็นอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้านะก็จะเห็นแจ้งลงไปว่าขันหานี้ไม่ใช่ตัวตน ไม่ไม่ควรที่จะไปหลงยินดียินร้ายกับมันควรปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่างนั้นมันแปรปวนไปยังไงก็รู้ตามสภาพความจริงของมันไปอย่างนั้นเพราะเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยถ้าบังคับได้ใครจะไปให้มันแปรปวนไปละจะให้ปล่อยให้โลกไปเบียดเบียน ไม่มีท่านบังคับได้นะก็จะให้เป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะท่านอินทมิตรเอาได้ตามประสงค์นะแต่นี่มันไม่ได้นี่บังคับไม่ได้เลยกร่ยเหตุ น, นั้นพระศ า, ส, าสดาจึงได้ทรงสอนให้วางอุเบกขาลงต่อขันห้านี่นะพูดกันอย่าง กระทักต์หลังจากที่เราพิจารณาโดยเหตุผลต่างๆมาแล้วนะมาลงมติเอาว่าขันห้านี่ไม่ควรยึดถือควรปล่อยวางให้จิตเป็นอุบเบกขาวางเฉยโตขันห้านี้ให้ได้เมื่อลงความในยางนี้แล้วก็พยายามเ่ยพยายามปล่อยวาง ขันห้าลงไว้ตามสภาพเมื่อปล่อยวางแล้วหมายความว่าเมื่อมันไม่เที่ยงมันแปรปวนไปก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นจะไปบังคับไม่ให้มันแปรปวนไม่ได้เมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากก็รู้ตามสภาพความจริงมันไปอย่างนั้นก็ขันห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากตัางหาก ไม่ใช่เราวินทุกทนได้ยากนะไอดวงจิตนี้ถ้ามันรู้เท่าแล้วมันไม่ทนได้ยากลําบากมันไม่ยึดถือแล้วมันก็อยู่อยู่โดยลําพังตนเองไม่เข้าไปยึดถือขันหานนั้นแล้วจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกขนะ์อ่ันจิตที่เป็นทุกข์กวนกระว歪ข้อมันไปยึดถือขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละอมันเป็นอย่างนั้นเดงมมานนะ่ะ ดังนั้นการเจริญสมถกวิปัสนาในพุทธศาสนานี่ความมุ่งหวังสุดท้ายแท่ก็คือให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปนนิดอะไรต่ออะไรตามรู้ตามเห็นให้หมดเลยแล้วปล่อยวางตามสภาพ ดังแสดงมา